194สต้องแม่นๆม่นในความจำกับความจริงอย่าสับสนเพราะหนึ่งนั้นมันคือจิตวิญญาณที่ตกไปสู่ความไปแล้วขะตะ เป็นอดีตแล้วมันจะมีวิบากบาววิบากกุศลอย่างไรมันก็เสร็จจบตัวมันเองไปแล้วมันจะไปดีสุขตะหรือไปชั่วทุกตะก็ตามกรรวิบากที่เจ้าตัวได้ทำไว้แล้วตอนที่เราตายไปแล้วระลึกขึ้นมารู้ได้จริงก็ตามพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ2 7ถึงปุพันตะกับปิกทิทิ จิตวิญญาณของเรามันก็ไปแล้วคตะะไปดีสุกตะหรือไปชั่วทุกตะก็ไปรับแล้วเราจะไประลึกงมเอาอาดีตได้อดีตหนึ่งใน18ได้ในตอนนี้ก็ดีมันก็ไม่ใช่ปัจจุบันมันก็ล้วนเป็นฝันเท่านั้นจากความจำสัญญาไม่ใช่ความจริงอันมีในปัจจุบันเลย หรือจะระลึกปั้นอนาคตใดอนาคตหนึ่งใน44ที่รวมทั้งปัจจุบัน5กามคุณหและฌาน1234ต่อให้ผู้นั้นเห็นว่าตนกำลังทานิพพานสำเร็จอยู่ในตอนนั้นก็ล้วนเป็นอนาคตอย่างลมๆแ้งๆอยู่จัดอยู่ในอนาคต44ด้วยยังไม่ชื่อว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่ครบธรรมกายทั้งสิน้น เราเกิดมาเป็นเราขนาที่อยู่ในร่างขณะ น, นี้ยังมีจิตอินทรีย์ยังไม่ตายชีวิตก็ต้องมีทั้งรูปทั้งนามทาหน้าที่อยู่พร้อมบริบูรณ์จึงจะชื่อว่าเป็นชีวิตที่อยู่พร้อมกับความจริงนั่นคือนามธรรมในปัจจุบันก็ทาหน้าที่อยู่เป็นปกติครบคือ มีวิญญาณหกยืนยันความเป็นความจริงอยู่ทนโท่หลัดหลาดปัจจุบันนี้พร้อมไปด้วยจิต89หรือ121รอทำหน้าที่เป็นทารู้ทำหน้าที่อยู่ครบท้วนถ้าเป็นผู้สัมมาทิิที่มีปัญญาจเจริญไปกับชีวิตสามันที่วิวัฒนาการตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้า ก็จะเป็นธาตุรู้ซึ่งจะอภิวัตพัฒนาด้วยปัญญาปัญญีสีปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพ ธ, ธ, ธิ์ชงสมมาทิธิมรคคังคะพระไตรปิโลกเล่น14ข้อ258และต้องมีรูป28่สิทำหน้าที่ของความจริงพร้อมด้วยจึงจะครบความเป็นกายของมนุษย์ แต่ถ้ามีแค่นามธรรมอยู่ภายในเท่านั้นเป็นธาตุรู้ไม่มีรูปธรรมภายนอกประกอบด้วยเลยต่อให้อภิวัตพัฒนาก็เจริญอยู่แค่สัญญาเท่านั้นเป็นเพียงความจำไม่ครบถ้วนด้วยความจรงิงความจริงของชีวิตที่จะเจริญก้าวหน้าไปอย่างบริบูรณ์ก็ต้องมีรูปกายนามกายที่เกิดอาการ เิงคะนิมิตอุเทศเมื่อมีสัมผัสด้วยการกระทบปฏิคะสัมผัสโส ข, ของรูปกับนามในปัจจุบันนั้นให้เรียนรู้ศึกษาพระไตรปิฎกเล่ม10ข้อ60จึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกายเวทนาจิตธรรมทุกสิ่งทุกอย่างทุกภาวะประชุมกันเคลื่อนเรียกว่าธรรมะ